นีต้อนับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับรุณวันนี้เป็นช่วงของใต้ร่มโพธิพธุทธที่เราจะมาฟังธรรมะทำความเข้าใจคําสอนเริ่มจากการที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิกันสก่อนตูมฟังทําจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียววันนี้เราจะทําสมาธิกันเงียบ เ ง, เงียบๆเย็นๆไม่ต้องฟังอะไรก็ได้ตั้งจิตของเราไว้อยู่กับลมหายใจตั้งจิตของเราไว้อยู่กับลมหายใจสนใจอยู่กลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาว่าแต่เราไม่ต้องฟังอะไรมากจิตจดจ่ออยู่กับลม มันจะเป็นสมาธิได้ไหมเสียงอื่น อ, นอะไรต่างๆก็ตามไม่ใส่ใจไปในเสียงเหล่านั้นเพระเราปิดหูเพราะเราปิดตาอาหารการรับประทานอาก็มาได้กินอะไรอยู่แล้วทั้งกลิ่นอะไรด้วยมันจะเหลือแต่ช่องทางใจมันจะมีเสียงมาจากไหนใจไหมให้เราฟังเสียงจากข้างไหน ฟังเสียงจากข้างใ น, นอย่าตามไปเสียงจากข้างนอกผ่านหูหรือเสียงจากข้างในเป็นสัญญาทางเสียงอย่างใดอย่างหนึง่งให้เราตั้งจิตกระว่ายอยู่กับลมไม่ตามเสียงทั้งข้างนอกไม่ตามเสียงทั้งข้างในไม่เผลอรู้อยู่กับลมอย่างเดียว สังเกตดูให้ดีหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติสัมปชัญญะไม่ลืมหลงความคิดนึกใดๆผ่านมา เราไม่ตามไปไม่ลืมลมไม่ตามไม่ลืมไม่เบลอสนใจสังเกตอยู่กลมหายใจความคิดนึกใดๆผ่านมา มันมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยเท่านั้นลหละถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับในที่นี้เราไม่ให้กำลังกับความคิดนึกสัญญาอารมณ์ต่างๆให้กำลังกับสติของเราโดยการมาจดจ่อสังเกตดูที่ลมหายใจนั่นเองเอาละ ตอมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะอันเป็นธรรมะคำสอนที่ได้มีการกำหนดบทพยัญชนะไว้อย่างรักภูมิปราบคอบไม่ละลวมชัดเจน เป็นการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นของตื้นคือเข้าใจได้ง่ายมีการยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจแจกแจงเอาไว้แล้วลักษณะคนที่ทำอย่างนี้ได้ เราเรียกว่าพระผู้มีพระภาคคือผู้จำแนกแจกธรรมผู้ที่จำแนกแจกธรรมนี้ก็ได้ปฏิบัติเองทํามาเองเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงระดับที่เป็นสัมมาสัมพุทธโธเป็นพุทธจึงสามารถมาบอกสอนอย่างนี้ได้ ในใต้ร่มคําสอนนี้เรามาศึกษาทําความเข้าใจก็ะจะเกิดความร่มเย็นเกิดความสุขเกิดความดีขึ้นในชีวิตของเราท่านบอฟังจึงในตุ ว, วันพุทธช่วงของใต้ร่มโพธิบทหลังจากที่เราทาจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทําความเข้าใจในหัวข้อนี้แหละท่านบอฟัง ในวันนี้นำเสนอเรื่องของธรรมะนคกรหรือนคกรแห่งธรรมะในเมืองที่มีธรรมะประกอบขึ้นในรายละเอียดในวันนี้ซึ่งจะนำเสนออยู่สองในยะด้วยกันโดยในยะแรกเป็นคำของท่านพระอุ บ, บาลีที่เป็นคาถาที่ท่านได้กล่าวไว้ มาในคุทธกานิกายอุปทานะเป็นเทระคาถาคือคาถาของพระเทระที่ชื่อว่าอุบาลีส่วนนิยะที่สองเป็นนิยะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาในอังคุตระนิายเปรียบเทียบธรรมะด้วยกับเครื่องป้องกันนะครจะพูดง่ายๆว่ามันมีส่วนคล้ายกันอยู่ เป็นเมืองนครนี่นะคือเมืองเป็นเมืองเป็นบุรีเป็นนครที่ก่อสร้างขึ้นมาไม่ใช่ก่อสร้างด้วยอิฐหินปูนทรายผู้คนสิ่งของอย่างเวลาเขาสร้างเมืองกรุงเทพเมื่อหลายร้อยปีก่อนนี่เออบางทีก็ต้องเอาอิฐมาจากกรุงธนบุรีบ้าง ออกมาจากอายุธยาบ้างสั่งปูนสั่งของสั่งอะไรมาเราจะสร้างบ้านานี้นนะเออคุณสร้างบ้านคุณก็ต้องสั่งไม้คนทีก็ต้องเรียกช่างใช่ไหมในการสร้างบ้านสร้างเมืองเ ก, ก็จะต้องมีอุปกรณ์มีองค์ประกอบมีผู้คนแต่พระพุทธเจ้าสร้างนครแห่งธรรมหรือธรรมนครเนี่ยใช้ธรรมะ นุลวนตมวังเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาพระมาฟังคาถาของท่านพระอุบาลีกันซะก่อนที่ท่านได้แบบด้วยความที่มีจิตใจชุ่มเย็นหลังจากตรัสรู้ธรรมะแล้วแล้วก็ท่านได้นั่งอยู่ชิวๆเย็นๆคนเดียวเนี่ยก็ได้กล่าวเป็นคาถาเป็นคำอุทานาานี้ขึ้นมาคำอุทานเป็นลักษณะที่ว่า มีแรงบันดาลใจพิเศษสินบากาืนางทีเราเดินทางไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปเห็นบรรยากาศเห็นวิวเห็นผู้คนเห็นสิ่งของแล้วเหมือนมันเกิด Inspiration ความซาบซึ้งใจแรงบันดาลใจอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วูว้จึงกลาวเป็นคาพูดที่ไพเราะสวยหรู ดูดีมีบทเพรียนชนะที่น่าฟังขึ้นมานี่ลักษณะตอนที่ท่านพระอุบาลีท่านได้กล่าวไว้ท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้ตัาบฟังข้าพเจ้าอยากจะอ่านนี่ตัมบฟังฟังก็ย่อหน้าเดียวไม่ยาวท่านบอกไว้หลังจากที่ท่านบรรลุธรรมมาตรวจตราดูถึงความที่ท่านได้บำเพ็ญบารมีเอาไว้เป็นคาถาที่ยาวมากเลยละ่ะ ตัดมาเฉพาะสั้นๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมนครท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าข้าแต่พระธิรเจ้าในธรรมนครนั้นมีศีลเป็นกําแพงมียานของพระองค์เป็นซุ้มประตูมีศรัทธาของพระองค์เป็นเสาเรนียมีสังวรของพระองค์ เป็นในายประตูข้าแต่พระมุนีสติปัฏฐานของพระองค์เป็นป้อมปัญญาของพระองค์เป็นทางสี่แพร่งอิทธิบาทเป็นทางสามแปร่งธรรมวิธีของพระองค์ทรงสร้างไว้อย่างสวยงามพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมและพระพุทธพจน อันมีองค์ก้าวถึงสิ้นนี้เป็นธรรมสภาในธรรมนครของพระองค์วิหารธรรมคือสุญญาตาวิโมมี อ, อนิมิตาวิโมออปานิหิตาวิโมอาันชะาสมาบัตและนิโรธนี้เป็นธรรมกุฎีในธรรมนครของพระองค์ กคือคำกล่าวของท่านพระหูบาลีที่ได้อุปมาอุปมาอีกเหมือนกับว่าเรามาอยู่ใต้ร่มของพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเข้าไปสู่เมืองที่เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่เราไม่เคยไปนี่คืออุปมาอุปมากของท่านพระหูบาลีนะท่านปเปรียบเทียบเหมือนกับว่าที่มาพึ่ง อยู่ใต้ร่มโปริญาณของท่านเนี่ยเหมือนเข้ามาสู่เมืองที่เมืองนั้นมีการจัดระเบียบ ม, มีการสร้างไว้อย่างดีมีการวางผังเมืองมีการจัดสัดส่วนไว้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่นำมาใช้นำมาทำเปรียบเทียวไว้อย่างที่ว่ามานี้ข้าพเจ้าอยากจะเจาะ ลงไปทีเราก็ล้วก็ตัมบูฟังแล้วก็จะนำมาปเปรียบเทียบกับส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่มาในอังคุตระนิกายนั่นจะเป็นในยะที่สองในข้อแรกที่ท่านพระอุบาลีได้ปเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปในเมืองคือเข้ามาศึกษาในทางคาสอนของพระพุทชาติแล้วเนี่ยแล้วเห็นอะไ ร, ประเปรียบเทียบไว้กับเมือง ว่าพอเข้าไปในเมืองใหม่แล้วนีโอ้หกำแพงนี่เห็นก่อนเลยกำแพงเนี่ยยาวใหญ่สูงทั้งแน่นหนาทั้งแข็งแรงไม่มีรูไม่มีช่องท่านมีความเข้าใจว่าศีลเป็นกำแพงมีศีลเป็นกำแพงนี่ก็จะเป็นเหตุข้อหนึ่งได้เลยละที่ว่าทำไมท่านุบาลี ถึงเป็นผู้ที่เลิศกว่าในบรรดาเหาภิกษุทั้งหลายที่มีความเลิศมีความเข้าใจในเรื่องของพระวินัยอย่างดีพระวินัยก็คือศีลนั่นเองคือยกเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเลยว่าในธรรมนครของพระพุทธเจ้านี่มีศีลเป็นกำแพงศีลก็คือศีลห้าของเราเนี่แหละทุกวัน ไล่มาจาก5ข้อสำหรับความเป็นคลุลหะหรือถ้าเป็น8ข้อ10บข้อก็สำหรับนักบวชที่เริ่มฝึกปฏิบัติขึ้นมาเป็นศีล8ศีลสิ 8, ส 10, แล้วก็ถ้าเป็นนักบวชที่เป็นผู้ชายผู้หญิงรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็มีศีล227รสศีล311รข้อตามลาดับกันขึ้นมาหนึ่งคือศีล คือประวิ น, นัยเห็นเป็นกำแพงในธรรมนก่ของพระพุทธเจ้ามียานยานนั้นคือปัญญามีปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นซุ้มประตูซุ้มประตูเนี่ยธรมวงังหมายถึงแปลว่าประตูโขงนะ่ะคือเป็นประตูที่เขาตกแต่งไว้เป็นซุ้มให้เข้าไปได้ ประตูนี่โอ้โหเขาตกแต่งไว้อย่างดีเลยจะเปรียบเทียบเราก็จะเหมือนกับในทางหลวงถนนสายหลักนี่เวลาจะเข้าไปในแต่ละจังหวัดจังหวัดนี่ตำรว ง, งเขาจะทาป้ายเอาไว้เนื่อบอกว่าของดีของจังหวัดนี้มีอะไรโอ้เราจะเห็นเป็นป้ายสีๆนะเป็นป้ายจราจรนี่แหละแต่ทำเป็นอย่างใหญ่เลย อยู่เป็นซุ้มมาไว้เพื่อให้คนขับรถมานี่ได้เห็นแล้วในงานบางอย่างจังหวัดบางจังหวัดนี่เขาก็ทําให้เป็นวิจิตรพิศนานขึ้นอีกนะมีรูปสัตว์บ้างเช่นที่จังหวัดน ongkhai ก็จะมีการสร้างเป็นซุ้มที่เป็นรูปของพญานาคมาม้วนมากดตัวไว้เป็นสามมิติ จังหวัดอื่นๆก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปกรุงเทพฯมหานครที่ถนนราชดำเนินอย่างนี้เวลาข้าพเจ้าไปบินดาบานี่เดินไปเออเขาก็ทำเป็นซุ้มมาไว้มีตั้งไว้อย่างสวยงามซุ้มประตูนี่คือยานของพระพุทธเจ้าตามที่ท่านเราอุบาลีเห็นความเข้าใจของท่าน เสาที่แข็งแรงที่ปากเอาไว้อยู่ที่ซุ้มสําหรับที่จะรับน้าหนักในโอ้เป็นเสาอย่างใหญ่เลยมีศรัทธาเป็นเสาระเนียพระพุทธเจ้าก็มีศรนะัทธาใะตัณว์ศรัทธาของพระพุทธเจ้าคือในพุทธโทธธรรมโังโคนี่แหละเหมือนกันศรัทธาในการตรัสรู้คือความรู้หนึ่งคือพุทธโธ ไม่ใช่ในตัวบุคคลนะแต่ในความรู้ในการตรัสรู้ในการที่จะพ้นทุกข์ได้นะว่ามันมันมีอยู่นะสะัตทายอย่างที่สอนคือพระธรรมที่ว่าหนทางที่จะไปถึงความพ้นทุกข์วิธีการองคความรู้นั้นมันมีอยู่นะหรือธรรมะไม่ใช่ที่อยู่ในเล่มในซีดี ในหนังสืออะไรพวกนั้นนะไม่ใช่หมายความว่าไงแต่หมายความลึกซึ้งวงไปจนถึงกระบวนการวิธีที่จะทําที่จะปฏิบัติได้ตั้งคตธรรมะและวก็ที่3คือสัตธาในการปฏิบัติคือประสงค์พระพุทธเจ้าในตัมบะฝังก็มีความศรัทธาในประสงค์นะซึ่งสงในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติไงการปฏิบัตินีการปฏิบัติชอบ ไม่ใช่ของคนคนเดียวแต่ของผู้คนใครก็ได้คาว่าใครก็ได้คือใครก็ได้จริงๆตัวพระองค์ก็ได้ตัวคนอื่นก็ได้ที่ว่าถ้าทำแล้วปฏิบัติแล้วตามธรร ม, มนี้ก็จะได้พุโทโธเหมือนกันไงตัวพระองค์ก็เป็นหนึ่งในสองนะคํ่วา่าหนึ่งในสองนี่คือหมายถึงได้ทำได้ปฏิบัติตามธรรมะที่จะเป็นเหตุ ให้เป็นสัมมาสัมพุทธโธเพนจึงเป็นพุทธโธขึ้นมาได้เป็นตามระดับสัมมาสัมพุทธโธและถ้าคนใดคนหนึ่งที่ถ้าปฏิบัติตามเหตุแห่งความเป็นพุทธโธในระดับอนุพุทธโธคุณก็เป็นอนุพุทธโธขึ้นมาได้ไงอนุพุทธโธก็จะงเป็นอีกระดับหนึ่งในพุทธโธสามอย่างก็จะไล่ขึ้นไปตั้งแต่อนุพุทธโธ ปัจเจกพุทธโธแล้วก็สัมมาสัมพุทธโธธรรมะที่จะให้ไปสู่ในพุทธโธแต่ละระดับก็จะมีทางหนทางนี้คือธรรมโมที่แตกต่างกันมีรายละเอียดมากน้อยไม่เท่ากันคือถ้าเป็นระดับมนุษพุทธโทธธรรมดาก็จะใช้เวลาเท่านี้มีศีลสมาธิอย่างนี้ถ้าเป็นระดับปัจเจกพุทธโธ ก็ลองใช้เวลาเท่านี้ยาวขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาที่สูงขึ้นไปอีกหน่อยแต่เป็นระดับสมมาสัมพุโทโตก็ต้องใช้ความยาวยาวขึ้นไปอีกแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาในระดับที่สูงขึ้นไปอีกก็คือมีธรรมโมสามระดับการปฏิบัติก็ยาวนานแตกต่างกันไปนั่นคือสังโคในตัวพระพุทธ เ, เจ้าเองในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงสมณะโกดมเนี่ยเจ้าชายสินทัะเนี่ย ก็มีพุโทโธตะโมสังโกผู้ศรัทธาของพระองค์ในที่นี้เป็นพระอุบาลีปเปรียบเทียบด้วยว่าเป็นเสาระเนียเสารเนียคือเสาที่มีความมั่นคงมีความแข็งแรงไม่ใช่แบบเสาไม้ซี่ปักอยู่บนกองทรายหรือกองแกลบหรือบนดินเลนแต่นี่เป็นเสาหินแต่งเป็นเสาหินที่สองสามคนโอบอทั้งสูงด้วย ทั้งลึกด้วยมันคงแข็งแรงด้วยลักษณะของเซอรเนียตคือสตาธ์เป็นแบบนี้ถัดมาคนที่เฝ้าอยู่ที่ซุ้มประตูคือในประตูเนี่ยท่านปรียกไว้ว่าคือการสารวมระวังคือสังวรมีสังวรยานยานคือความสังวรของพระองค์เป็นซุ้มประตู การสมรวมระวังหมายถึงอะไรหมายถึงการที่รู้จักป้องกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นช่องทางที่จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผพิภัณและธรรมารมไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมไม่ว่าจะที่จะเกิดจากการเห็นโดยภาพรวมทั้งหมด หรือการเห็นโดยการแยกเป็นส่วนๆให้เกิดขึ้นเข้ามาได้นี่เรากำลังจะเข้าไปสู่ในธรรมนครนะท่านผู้ฟังเราจะเข้าไปสู่ธรรมนครเห็นกำแพงก่อนคือศีลเห็นซุ้มประตูก่อนคือยานเห็นเสาเรเนีย่ยนั่นคือศรัทธาจะเข้าไปแล้วต้องผ่านด่านตรวจของไหนประตู คือความสํารวมที่กําแพงนั้นก็มีป้อมประการตั้งอยู่ด้วยคือในประตูเขาก็อยู่ในป้อมใช่ไหมคอยตรวจดูอยู่ป้อมอย่างที่เราเห็นที่กรุงเทพมหาคนครอย่างนี้มีป้อมประการมีป้อมมหาการเป็นโบราณสถานอย่างหนึ่งที่สร้างไว้ตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น, ตน เออป้อมนี่เขาต้องมีกำแพงมีช่องประตูมีปืนมีอะไรต่างๆคอยรักษาไว้ลักษณะของป้อมนี่ท่านบริไว้กับสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานเป็นป้อมป้อมนั่นคือให้หนายประตูอยู่ไงเป็นป้อมยามมีปัญญาของพระองค์เป็นทางสีแปรง คือพอเข้าไปแล้วจะมีทางแยกไปตามจุดต่างๆเลี้ยวซ้ายนี่ไป3มย่านเลี้ยวขวาไปหลักสี่ตรงไปไปปากน้ำก็มีทางแยกไปเงี้ยหรือถ้าเราจะบอกว่าเลี้ยวขวาไปโหราชนะจากสระ บ, บุรีฐานนครปฐมเลี้ยวซ้ายน ะ, ะไปประจวบลงภาคใต้ไอ้ทางแยกอะไรต่างๆที่เขาทำเป็นเน็ตเวิร์กเอาไว้ นี่คือปัญญาในที่นี้ก็จะต้องหมายถึงอยู่เวลาที่เราดึงจุ่มแหเนี่ยนะดึงแห่เนี่ยดึงที่จุ่ ม, ขมนเข้ามานี่นะดึงมาดึงมาเนี่ยเดี๋ยวแหมันมาทั้งหมดถ้าเราเอายอดคือปัญญาไง่านังเอาปัญญาเป็นยอดแล้วเราจะมาจากไหนได้อะมันก็จะต้องมีสมาี่มีศีล เป็นตัวหนุนตัวดันกันขึ้นมาปัญญาที่ท่านเปรียบไว้คือเป็นทางสี่แปร์ที่จะแยกไปเจอธรรมะข้อต่างๆถัดมาพอเข้าไปอีกเจอทางแยกใหญ่สี่แยกใช่ไหมเจอทางแยกน้อยเป็นสามแยกท่านบอกว่ามีอิทธิบาทเป็นทางสามแตง์นี่เคยตัมบูฟังจินตนาการตามท่านพระอุบาลีนะ ท่านพระ บ, บาลีเนี่ยนั่งสมาธิเข้าฌานอยู่กำลังเสเวยมิมุติสุขอยู่มีความเข้าใจอันนี้จึงกล่าวเป็นคาถานี้ออกมาเหมือนตัวเองเข้าไปในตมนานขอเข้าไปแล้วโอ้นี้เป็นสี่แยกใหญ่นี่เป็นสามแยกน้อยผ่านประตูผ่านซุ้มผ่านอะไรมาท่านบอกว่าอิติบาท เป็นทางสามแป่งคือทางแยกน้อยละ่ะถนนหนทางคือวิถีทางเดินเนี่ยที่บอกว่าเป็นธรรมะวิถีได้สร้างไว้ประดับไว้อย่างสวยงามแม่ยายทั้งสองได้มาเดินที่ถนนราชดำเนินอย่างี้นะหรือว่าท้องสนามหลวงในเวลาที่เขาประดับประดาไว้อย่างสวยงามมันจะมีความ ฮุมใจมีความตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นเป็นลักษณะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีเลยคือพอได้บวชแล้วบรรลุธรรมแล้วมันมันตื่นเต้นมันดีใจมันสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเห็นธรรมวิถีที่อยู่ในธรรมนกรสร้างไว้อย่างสวยงามอลังการแล้วเราจะมาอยู่ในเมืองนี่นะ เราจะมาอยู่ในธรรมนครนี้รามฟังท่านเราบาลีสบายใจอย่างบอกไม่ถูกได้มาพึ่งอยู่ในร่มของพุทธเหมือนดื่มดำเข้าไปสู่ในร่มเงาแห่งญาณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในเมืองนี้ท่านบอกว่ามีพระวินยัยพระสูตรพระอภิธรรมคำสอนต่างๆเป็นธรรมสภา คือคุณเขาไปถึงอาคารแห่งหนึ่งแล้วสภาสภานี่คือที่ประชุมกันที่ประชุมกันของคนที่เขามีหน้าที่คนที่เขาเก่งคนที่เขามีประสบการณ์มีความสามารถทางด้านใดนด้านหนึ่งมาพูดคุยจะแก้ปัญหาอันนี้จะพัฒนาอันนี้จะมีนโยบายอันนี้คนที่มีความสามารถเรื่องนี้พูดสิ่งนี้ คนนี้มีความสามารถอในเรื่องหนึ่งพูดสิ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมันไม่ได้สองนะมันได้มากกว่าสองมันได้สมได้สมีการพัฒนามีการปรับปรุงมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันที่ไหนนี่ในธรรมสภาก็ไม่ไกลาจากวัดบวร น, นีิธารถุตมฝังขับ ร, รถไปประมาณสัก15นาทีก็จะมีสภาประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะอูสภานี่เขาสร้างไว้ใหญ่มากเลย อยู่ริมแม่น้ำ้าประยาเป็นอาคารที่หลายๆชั้นแล้วก็มีสิ่งที่เป็นเหมือนกับเจดีย์อยู่ข้างบนด้วยเป็นสีทองๆองอันนั้นคือเขาก็จะมีสระปัตกรรมที่สวยงามทั้งข้างในข้างนอกเหลื อ, อาการสปาผู้ดันรัสดอนแล้วก็ทั้งวุ ธ, ธิสปาด้วยของประเทศไทยแลดูของแต่ละประเทศนะทกฝังเขาสร้างสปาของเขาไว้เนี่ย ฮะทูสสวยงามมากเป็นสิลปบริกรรมที่มีความยูนิคเป็นของประเทศนั้นๆมีความสวยงามต่างๆในธรรมนครนี้ก็เหมือนกันว่าระวงสิ่งที่มารวมกันอยู่ที่นี้คือคำสอนที่เป็นประวิไยคำสอนที่เป็นประสูเป็นประอภิธรรมแล้วก็มีสิ่งที่เรียก ว, ว่า นวังคัสตุศาสตร์คือคำสอน9ประการที่ะระพุทธชา้ามัญญัตวไว้คำสอนเัล น, นั้น9้าประการมีอะไรบ้างคือสุตตะเคยะเวยากรณะกาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอาพุธธรรมะและเวทละก็แล้วทั้ง9ก้าอย่างเนี่ยหมายถึงอะไร สภานะต้องฟังคือมันไม่ใช่แค่ว่าอาคารางไงเหมือนกับคอมพิวเตอร์มันต้องมีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์คุณแรงแล้วใช่ไหซอฟแวร์ software คุณจะอะไรมาใส่ตัวเมืองคุณโอ้โหสร้างไว้อย่างดีแล้วมีอาคารสานที่แล้วแล้วภายในมีอะไรบ้างสิ่งที่รวบรวมกันมาสุดตาหมายถึงประเภทคำพูดที่เป็นรอยแก้วโดยส่วนมาก เป็นพระสูตรพระวินัยในที่นี้เต็นก็จะระบุไว้ด้วยว่าส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยคาที่ว่าเอวัมเมสุตังคือขเจาวได้สดับมาอย่างนี้เป็นคำที่เต็นประนนได้สดับมาหนึ่งคือสุตตะสุนเคยะหมายถึงคำร้อยแก้วที่ประสานกับร้อยกรองคือมีส่วนที่ทั้งเป็นคำพูดธรรมดาด้วยและ คาถาด้วยหรือจะพูดได้ว่าเป็นมีทำนองในคํากล่าวนั้นนะ่ะก็จะพูดได้ว่าคือพระสูตรที่มีคาถากํากับเอาไ ว, ดว้ด้วยเนื่องกุตระนิการหลายๆพระสูตรที่ไม่ได้ขึ้นต้นโดยเอวาเมสูตังเราก็จะมีคาถาท้ายพระสูตรผนวกเอาไว้ด้วยก็จะเป็นลักษณะของเคยยะจะว่าก็ว่าเป็นคําคมคําขวัญอย่างนี้ก็ได้ตัมบูฟัง คือคำคมคำขวัญเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของร้อยกรองที่มีรูปแบบรเรียนชนะที่กำหนดเอาไว้เช่นกรอน8กรอน10กรอนสั ก, กว า, านี่นะเขาจะมีรูปแบบคําสูงคําต่ําคําพ้องอะไรต่างๆที่ชัดเจนใช่ไหมแต่คําคมหรือว่าคําขวัญจะเป็นลักษณะที่มีท่วงทํานองมีความไพเราะอยู่แต่ยังไม่ถึงขนาด คำกรอนแบบนั้นนี่คือเคย์ยานั่นเองอย่างที่สามคือไวยกรณะหรือไวยกรที่จะเป็นการจําแนกรายละเอียดที่ใช้หลักทางภาษาจะเป็นร้อยแก้วในการสอนเรื่องของสิ่งนี้หมายถึงอย่างนี้แจกแจงรายละเอียดเอาไว้หรือจะพูดถึงเรื่องภาษาว่าไวยกรภาษา น, ะนั่ยนี่ออกเสียงอย่างนี้ น, นี้มีความหมายอย่างนี้ในทีน่นี้ตั้งก็จะหมายถึงพระอภิธรรมปิดกทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่เป็นประสูติที่ไม่มีคาถาแต่เป็นคำอธิบายเปนคือข้อที่สามเป็นไวยากรณ์อันที่สีคือคาถาคาถานั้นคือเป็นประเภทร้อยกรองคำว่าร้อยกรองหมายถึงคำกรอนนั่นเองคำกรอนที่มีรูปแบบชัดเจนกรอนแปดนะ ต้องมี8ปดคำตรงนี้เพยัญชนะอันที่สกับอันที่8แล้วกัอันที่1ของวัตตต่อไปนี่ต้องคล้องจองกันนะตรงตรงนี้เป็นเสียงสูงเสียงต่าเป็นคำเป็นคําตายนี่ก็จะมีลักษณะ ค, ค, าคกกะําชั้นคํากลาบคํากนสกาวโอหลายอย่างเนี่ยคือคาถาแม้แต่คํากล่าวนี้ของท่านพระอุบาลินี่ก็เป็นคาถานะเป็นคาถาที่ท่านกล่าวไว้อันนี้ก็จะมาในธรรมบทบ้าง บทแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นพระเท ร, รารูปใด <c oughs> รูปหนึ่งกล่าวไว้หรือเท้าสักกกล่าวไว้เทวดากล่าวไว้หรือแม้แต่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ก็มีที่เป็นคาถาถัดมาข้อที่5นั้นคืออุทานอุทานหมายถึงคำที่เปล่งออกมาโดยแบบมีอินสป r เรชันเป็นแรงบันดาลใจจาก ประสบการณ์ของผู้ที่พูดนั่นเองเราก็เป็นคำกล่าวมาที่จะเป็นลักษณะของคาถาซะส่วนใหญ่ที่ก็จะกำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นพุทธอุทานมีอยู่ทั้งหมด8ปพระสูตรด้วยกันเอานั้นมาประกอบอยู่ในตรมมสภานี้ถัดมาคืออิติวุตกะหมายถึงคำสอนที่มีการอ้างอิงที่ขึ้นต้นด้วยวุตตังเหตตัง มีอยู่ทั้งหมดร1 0ประสูต์ที่จะมีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลประกอบอิตธิวุติกะหมายถึงสิ่งนี้ซึ่งในที่นี้เขาก็รวบรวมกันมาแล้วอยู่ในคำปีคุตการนิกายอิติพุทธกะคือส่วนที่มีการอ้างอิงตรงนี้กินขึ้นมาถัดมาคือชาตกะหมายถึงชาดกนั่นเองคือเรื่องในอดีตของพระบุทธาทั้งหมด ก็มีกำหนดไว้ชัดเจนระวังว่าทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบเรื่องที่เรามักจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าห้าร้อยชาเนี่เกิคือตรงนี้แหละเอาชาดกทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยห้าสิบเรื่องจัดอยู่ในชาตกะถัดมาคืออภูตรธรรมะหมายถึงเหตุอัศจริย์เหตุที่มันโอ้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยบว่า ทุกๆเกิดขึ้นได้เลยแยกออกมาอันหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าในอภูตธรรมะก็จะมีส่วนเป็นคำบุทานบ้างส่วนเป็นคาถาบ้างส่วนเป็นคำพูดคำกล่าวธรรมดาบ้างแต่แยกออกมาเพราะมันน่าอัศจรรย์และในข้อสุดท้ายเวทละหมายถึงการสนทนาโต้อตอบแบบถามตอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจสักถามแล้วสักถามอีกเช่น จุลเวทะละสูตรมหาเวทะละสูตรเป็นตนในทั้ง9ก้าอย่างนี้เรียกว่าณวังคัสตุสารที่ประกอบขึ้นมาอยู่ในธรรมสภาแล้วถ้าเราจะจัดเรียงทั้ง9ก้าอย่างนี้นะเป็นรูปแบบของคำสอนสมัยใหม่เนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นสามส่วนด้วยกัน เป็นครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในทางด้านการศึกษาท่านได้ตั้งข้อสังเกตเนี้ยเอาไว้คือถ้ากลุ่มที่เป็นการบรรยายให้เกิดความเข้าใจก็จะมีสุดตะคาถาและก็ชาติกะสุดตาหมายถึงการบรรยายเป็นหลักที่เนื้อหาเป็นยังไงอธิบายไปแล้วคาถานี่ก็จะเป็นลักษณะาการสรุปความให้ท่องจำได้ไง่ายๆเทคนิคการจานี่พูดอย่างนี้นะอันนี้เป็นกาถา ส่วนชาดกก็เป็นหเรื่องราวที่ยกขึ้นมาประกอบในคำสอนนั้นนี่นนคือกลุ่มที่บรรยายแต่มากลุ่มที่จะใช้สื่อการสอนสื่อการสอนนีก็คือการใช้บทเพลงเป็นต้นนั่นคือเคย์ย่เคยะยนี่คือคำสอนประเภทร้อยแก้วภาษานกับร้อยกรองที่มีท่วงตานองเจอเรตว่ามีการใช้คำคม มีการใช้คำขวัญเป็นท่วงทำนองบ้างอะไรมาผสมลงไปนั่นคือเคย์ยะแล้วถ้าเป็นประสบการณ์แรงบันดาลใจจากผู้สอนเองนั่นคืออุทาหรณ์เลยนี่ครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือส่วนนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ถ้ามีหลักฐานที่ยังอิงประกอบอจนจนว่าเรามีเคสไงเคสตัศดีเคสตัศดีนี่คือลักษณะของอิติวุติกะคุณยกเคสขึ้นมาเลย เคสของตัวเองนะคืออุทานนะถ้าเคสของคนอื่นเช่นคุณเรียนเรื่องการบริหารจัดการอย่างเงี้ยคุณยกเคสของบริษัทสิบริษัทนี้เขาทาเงินยังไงเขาขาดทุนยังไงอิทธิบุติกะมาแล้วหรือว่าอภูตธรรมะนั่นคือเคสที่แบบแยกออกมาโดยชวนเดียวเลยเนะี่ยเป็นเคสยกเว้นอันนี้คือจําไปเลยอะ่ะว่ามันมีข้อยกเว้นอย่างอย่นี้นั่นคืออภูตธรรม ลักษณะที่ใช้สื่อการสอนอย่างอื่นประกอบด้วยส่วนที่3คือการแลกเปลี่ยนความรู้คือลักษณะที่เวทานาเนี่นงคือถามตอบไงอาท่านพรีเซนต์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ค่อยนักเรียนไปพรีเซนต์นะนักเรียนไปพรีเซนต์แล้วก็ต้องหาข้อมูลมีการถามการตอบแล้วก็ประการตัดมาคือไวยากรณ์ไวยากรณ์คือการจำแนกแจกแจงให้เห็นองค์ประกอบ เป็นเวลาให้คนมาพรีเซนต์คณะครูเรียนมาทำกันบ้านด้วยต้องแจกแจงออกแยกแยะออกทั้งข้าวอย่างจะได้เป็นสามหมวดหมู่ในคำสอนที่ประกอบขึ้นเป็นธรรมสภาธ ร, รมฝังแล้วนะในอุปมาของท่านบราอุบาลีเนี่เหมือนเข้าไปในธรรมนครก่อนพระพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งที่ท่านเห็นคือ ที่พักของพระพุทธเจ้าคือธรรมกุฎีเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือทมอันเป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยสุญญตวิโมอนิมิตวิโมะอปนิหิตวิโมะอะเนชฌาสมาบัติก็คือชานสมาธิสมาบัติวิโมกต่างๆนี่ประกอบขึ้นเป็นธรรมกุฎี กุฏินั่นเองคือ ท, ที่พักน่ย น, นะกุฏิที่พักวิหารศาลาใช้คำเดียวกันได้เลยเป็นที่พักของพระพุทธเจ้าเป็นฌานสมาธิประกอบกันขึ้นมาเป็นธรรมนคอนตัฟังที่เหมือนเวลาเราเดินก็ไปแล้วเนี่ยโอโ้ใครที่แบบอย่างคนบ้านนอกเนี่ยนะ อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาเข้ากรุงเทพเนะี่ยโอ้โหเมืองมันใหญ่อย่างงี้ทั้งถนนหนทางทางด่วนเอ่อแล้วก็อาคารสถานที่หรือว่าเราไปต่างประเทศโอ้โหประเทศเขานี่สร้างแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมีถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความตื่นตาตื่นใจอลังการความตื่นเต้นความดีใจย่งบอกไม่ถูกที่ลักษณะอารมณ์ของเต้นบระ อุบาลีที่หลังจากบรรลุธรรมแล้วนั่งเสวยมิมุ่ติดสุกอยู่มีความสบายใจอย่างบอกไม่ถูกจึงได้อุทานอุปมาอุปไหมนี้ออกมาพระพุเจ้าว่าเราโชคดีมากนะบูฟังที่ว่าทุกวันนี้ยังมีคำสอนของท่านเหลืออยู่ยังมีธรรมนครยังอยู่อยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่ธรรมะนัะ่นแหละธรรมะไม่ได้เสื่อมหายไปไหนยังอยู่อยู่ในจิตใจของผู้คนนั่นแหละจิตใจคนไหนของใครมีธรรมะนั่นก็มีธรรมนครอยู่ในจิตใจของคนนั้นกรอบกลัวนั้นกลุ่มนั้นถึงแม้ว่าทุกวันนี้ส่วนที่เป็นเมืองเป็นอะไรเนี่ยมันจะแบบเสื่อมโทรมลงไปหายไปถึงเคยเปรียบเทียบนะว่าไปเจอเมืองเก่าเมืองหนึ่ง ที่มีสรหากเป็นกูเมืองเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออโธเมืองที่เขาสร้างไว้อย่างดีเลยเราพัฒนาขึ้นเป็นเมืองให้มันสวยงามดีกว่าก็เปรียบเหมือนกับคำสอนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านตรัสรู้เอาไว้แต่พอการเวลาผ่านไปคำสอนหายไปคนลืมไป เ, เมืองนี้ก็กลายเป็นเมืองรางไป พอมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาท่านมาเจอข้อมูลนี้ตรัสรู้ขึ้นแล้วท่านก็ทำสะอาดขึ้นมาใหม่ตกแต่งขึ้นมาใหม่ให้มันสวยงามดั่งเดิมเป็นธรรมนครย้ายเข้ามาเลยทั้งฟังย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองนี้เลยสร้างไว้อย่างดีเก็บค่าเข้าเก็บภาษีคือความดีเท่านั้นเอง เอาความดีจายเป็นค่าอยู่ในต ร, รมณฑ น, นี้ที่แบบประดับประดาไว้ยอย่างดีตะบงังให้สบายใจเลยคุณไม่ได้ต้องเสียเงินเสียทองเสียเบี้ยววัดอะไรทำความดีเท่านั้นเองอยู่ในเมืองนี้ได้พระพุทธเจ้ายัางเปรียบเที่ยวไว้ดูฟังในยติสองในณคะโรปมสู ทรรมะเปรียบด้วยเครื่องป้องกันนะก่อนอันนี้จะมีระยะที่แตกต่างกันไปนิดหนึ่งนทะ่านผู้ฟังโดยเปรียบเมืองกว่าถ้าเราจะไปสร้างเมืองของเราเองอยู่ในที่ไกลๆเป็นหัวเมืองชายแดนที่มั่นคงของปราราชาหัวเมืองนั้นเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆดังนี้เปรียบเทียบกันาไว้โดยเมืองที่จะเป็นเมืองชายแดนที่จะเป็นเมืองสําคัญเมืองหน้าด่าน กรณีของกรุงเทพมหานครแต่เป็นอยุธยาสมัยก่อนนี่นะก็จะมีพิษณุโลกเป็นหัวเมืองหน้าด่านที่สําคัญทางด้านใต้ก็จะมีนครศรีธรรมราชทางด้านตะวันออกนี่ก็จะมีปราจีนบุรีมีโคราชทางด้านตะวันตกนี่ก็จะเป็นกาญจนบุรีเป็นตน้นจะเป็นหัวเมืองที่สําคัญในการที่จะป้องกันราชธานีคืออยุธยา กรุงเทพเนี่ก็เป็นเมืองหลวงใช่ไหมหัวเมืองสําคัญสำคั ญ, คญที่เขาจะมีทหารมีกองกําลังอะไรต่างๆไปอยู่เอาไว้นี่ถ้าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลบบุรีสระ บ, บุรีทางทางอีสานนี่ก็จะมีอุดรธานีโคราชทางภาคใต้นี่ก็จะมีะคนครศรีธรรมราชเป็นต้นหรือเป็นหัวเมืองที่สําคัญในเมืองเหล่านี้ พระพุทจาดันเปรีบ เ, เที่ยบมาไว้ที่เป็นพุทธพล้นะข้าพเจ้าอยากให้ทุกฝั่งนี่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างหลักในยะแรกที่พูดไปนั้นคืออุปมากรดันพระอุบาลีเข้าไปยังธรรมนครที่พระพุทธเจ้าดันได้สร้างเอาไว้ในยะที่สองนี้คือการป้องกันนครที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เปรียบเที่ยวกับหัวเมืองชายแดน ที่สําคัญที่จะต้องคอยป้องกันเธอบอกว่าเสาเรเนียเป็นเสาที่ขุดหลุมฝังไว้อย่างดีไม่ง่อนงันไม่คลอนแกลนไว้คุ้มกันในภายในและปกป้องจากอันตรายภายนอกคือศรัทธานั่นเองมีศรัทธาเป็นเสาเรเนียอันนี้จะมีความหมายตรงกันใช้อุป ม, มาในยักษ์อย่างเดียวกันนอกจากนี้ยังก็มีคู หมายถึงร่องน้ําไม่ใช่ร่องที่ระบายน้ําใช่ไห่นะแต่ต้องเป็นร่องที่ทั้งกว้างทั้งลึกที่จะป้องกันภัยที่เวลาคนใบนอกก็จะบุกเข้ามาต้องตกร่องนี้ก่อนเนือร่องนี้ก็จะต้องทำเป็นน้าเป็นอะไรมีน้ํามีอะไรมีจระเข้มีอะไ ร, ร, ะอะไรคอยป้องกันเอาไว้เป็นคูล้อมรอบบางทีบนคูนั้นอาจจะงมีเชิงเทินเดินราก หรือเชิงเทินอาจจะอยู่บนกำแพงที่อยู่ข้างหลังคู่อีกที่หนึ่งคูที่ล้อมรอบเรียบไว้ด้วยกับความละอายคือฮิอริละอายต่อใจละอายต่อบาปละอายต่อสิ่งที่ถ้าจะกุศลที่เราจะไปทำเนี่คุณต้องมีความละอายคือฮิอริเชิงเทินเดินรอบที่จะต้องทั้งสูงและกว้างคูนี่ต้องลึกใช่ไหมและกว้าง เชิงเทินต้องสูงขึ้นมาอยู่ในที่สูงไว้ก่อนนั่นคือโอตตปะหมายถึงความสะดุ้งกลัวสะดุ้งกลัวต่อบาปอกุศลแลรต่ที่ว่าถ้าเราจะไปทำแล้วเราจะกลัวความละอายความกลัวต่อบาปคือหิวริโอตตปะที่มักจะเรียว่ามาด้วยกันก็ได้แต่ว่าจะใช้งานต่างกันละอายนี่คือละอายต่อใจของตัวเองกลัวนี่คือ กลัวต่อการติเตียงของผู้อื่นมีเหตุกระตุ้นมาต่างกันจากภายในหรือภายนอกแต่กระตุ้นให้เกิดความดีเหมือนกันไว้ใช้ป้องกันได้เหมือนกันเหมือนคููที่ต้องลึกแต่เชิงเทินเดินรอบต้องสูงและในนครนั้นจะต้องมีอาวุธสังสมไว้อาวุธในที่นี้คืออาวุธที่ไว้ใช้ทั้งยิงระยะใกล้ ยิงระยะไกลเป็นอาวุธหนักอาวุธเบายุทธโภกรณ์นั่นเองอาวุธยุธทธรภกรอุปกรณ์สำหรับการรบที่ถ้าอุปกรณ์นั้นมันจำเป็นต้องแหลมต้องแหลมนะถ้าแหลมต้องแหลมถ้าคมต้องคมถ้าหนักต้องหนักถ้าเบาต้องเบาถ้าหนาต้องหนาถ้าบางต้องบางต้องให้มันเหมาะสมกับยุทธวิธีนั้ น, น, น บางอย่างที่ว่าถ้าต้องหนักดันเบาเงี้ยต้องคมดันทื่อ่เงี้ยต้องแหลมดันทู่อเงี้ยต้องเบาดันหนักาเงี้ยโอ้มันจะไปใช้ประโยชน์ได้ไงใช่ปะละ่ะมันต้องให้เหมาะสมยุทโธปกรณ์นี่เขาจึงต้องออกมาขัดมาชำระมาทำความสะอาดมาทำให้มันคมมาทำให้มันเหมาะสมกับจุดที่จะต้องใช้งานอยู่เสมอเสมออาวุธยุทโธปกรณ์นั้น คือความเป็นพระหูสูตรนั่นเองตัมบวังความที่เต้องศึกษาพระสูตรที่เราต้องต่องจําก็คือเอาพวกณนะวังคสัสตุสาเนี่ยแหละคือคําสอนเก้าประการนี่ต้องมาทบทวนต้องมาทําความชํานาญอะไรที่อยู่ในธรรมสภาเนี่ยเอามาศึกษาเลยเขารวบรวมองค์ความรู้เไว้แล้วอาวุธเนี่ยมันอยู่ที่นี่ในคลังอาวุธในช่วงกลังพระสูตรที่พระเจ้ามาอ่านพระสูตรนัมบวังฟังทุกวัน พระหัสเนี่ยนะคือพระสูตรเนี่ยเป็นคำแรกสุดตาเนี่ยในบรรดาณวังค้าศัตตุสาเกก็หมายถึงทั้ง9ก้าอย่างเลยนะในช่วงครั้งพระสูตรบางทีก็มีชาตกาธิธันเล่าเอาไว้มีอัพูตธรรมะมีเวทละอันนี้แน่นอนที่เป็นลักษณะาการถามตอบมาอ่านให้ฟังมีตรงนี้เป็นอาวุธนั่นเองพอมีอาวุธแล้วก็ต้องมีผู้ใช้อาวุธนั่นคือกองกาลังนั่นเอง กองกาลังที่จะได้รับการฝึกมาอย่างดีโดยจู่โจมโดยป้องกันโดยสเสบียงโดยวางแผนโดยที่จะใช้ธนูโดยที่จะใช้เป็นฐานด่านหน้าโดยที่จะไว้สำหรับยิงปืนใหญ่อาวุธระยะใกล้อาวุธระยะไกลหน่วย ด, ยดับเพลิงหน่วยจุดเพลิงยุทธวิธีต่างๆเหมือนปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งทหารประเทศไทยมีต่งตางทาบก ทหารเรือทานากาใช่ป่ะล่ะยังมียุทธวิธีทางไซเบอร์คือรบทางอินเทอร์เน็ตแล้วในแต่ละหน่วยนั้นเราก็ยังแยกไอีกอะอย่างทหารบกเนี่ยคือแยกเป็นฐาน ร, ราบฐานมา้าฐานปืนใหญ่หน่วยรบพิเศษยังมีทหารสื่อสารฝ่ายพลาธิการฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ต่างๆโอ้แยกแยะไปหลายหน่วยงานมากเลย นี่แหละคือกองกำลังเปรียบไว้ด้วยกับความเพียรความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นเป็นความบากบาั่นมั่นคงไม่ทอาทุระคือไม่ใช่ว่าไม่แยแสอะไรแต่ว่าต้องสนใจต้องทำต้องเทคอินิเ t ทีฟขึ้นมานี่คือสนใจในการสร้างกุศลทิ้งกำจัดออกในสิ่งที่เป็นอกุศล หี่่กํากลังต่างๆต้องมีคือความเปลี่ยนนั่นเองแต่ถัดมาต้องมีทหารยามหรือว่านายประตูที่รู้จักเฝ้าเวณยามไม่เปลือหลับหรือต้องรู้จักตรวจตราว่าใครเข้าได้ใครออกได้เข้ามาทำอะไรเอาอะไรเข้ามาออกไปไปไหนเอาอะไรออกไปตรวจตราดูนั่นคือสติ สติคือความระลึกได้เป็นนายตะวาลเป็นนายประตูเป็นทหารยามทหารยามไม่ต้องเฝ้าอย่งที่ป้อมประตูใช่ไหล่ะป้อมยามป้อมยามท่านพระอุบาลีประเ ท, ทียวว่าเป็นอะไรป้อมยามคือสติประญาไงมีสังวรคือการสำรวมระวังเป็นอะไรเป็นนายประตูเออนี่ก็จะเหมือนกันนะมีนายประตูคือการสำรวมการระวัง ก็ต้อใช้สติไงระวงังและอย่างสุดท้ายกำแพงกำแพงที่ท่านเปรียบเทียบไว้ตามในยะของอังกุตระนิกายนะครโรปมัสูนี้ท่านบอกกำแพงคือปัญญามีปัญญาเป็นกำแพงทั้งสูงทั้งฉาบทาไว้อย่างดีไม่มีร่องไม่มีรูไม่มีช่องกำแพงนี้สําคัญนะทุกฝังนะ แล้วตัวอย่างว่าถ้าเป็นกำแพงแบบรวดหนามโ้ยรวดหนามเนี่ยมันมีช่องมีรูหมาแมวมันยังผ่านได้แต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตะแกรงเหล็กเฮ อ, อนี่ก็แน่นหนาขึ้นมาอีกหน่อยขึ้นมาอี ก, กระดับหนึ่งเดี๋ยวหมาแมวผ่านไม่ได้แต่วันหนูบางทีมันผ่านได้เอาถ้าเป็นปูนเลยปักเสาก่ออิหรือว่าเอาแผ่นสลับคอนกรีตมาใส่ไว เราชาปนา ย, ย่างดีวัวนี้หนูก็ผ่านไม่ได้ยิงสูงด้วยพอมีกำแพงแล้วก็ต้องมีประตูไงประตูก็ต้องมีคนป้าประตูใช่ไหมกำแพงนี้ท่านปเปรียบไว้คือปัญญาในข้อที่7ตามนัยยะของธรรมะอันจะเป็นเครื่องป้องกันนะก่อนทีนี้ความแตกต่างที่เราใจในที่นี้ท่าฟังตามนัยยะของท่านพระอุบาลีก็คือว่าท่านบอกว่าศีลเป็นกำแพง ศีลเป็นกำแพงในที่นี้ครัพระเจ้าเข้าใจที่พระท่านพระบาลีท่านหมายถึงยังไงคือเวลามาเจอพระพุทธเจ้านี่คุณไม่รู้ครับว่าคนนี้คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมละ่ะคุณจะรู้ได้ยังว่าคนนี้คือพระพุทธเจ้าไม่รู้ล่ะก็เอาเท่าที่ฉันเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูท่านเป็นยังไงเห็นเห็นพระพุทธเจ้านี่ตะบวงแล้ว เ, เห็นเห็นก่อนเนี่ยคือจะไม่ใช่ว่าเห็นตัวเห็นหน้าเห็นอะไรนะ เห็นข้อปฏิบัติของท่านอะไรคือข้อปฏิบัติที่เราจะเห็นก่อนของพระพุทธเจ้าด้วยตาของเราด้วยหูของเรานั่นคือศีลไงเราจะเห็นศีลของท่านก่อนเหมือนคุณเข้ามาสู่เมืองสุนทรสิ่งที่จะเห็นก่อนคืออะไรกำแพงคุณมาวัดประวัหรือวัดป่าไรโสองเนี่ยคุณมาเห็นก่อนเห็นกำแพงวัดก่อนเห็นกำแพงวัดเลยจึงค่อยเข้ามา นี่คืออุปมาของนั่ราอบาหีว่าเห็นศีลของพระพุทธเจ้านั่นแหละก่อนคือเห็นกําแพงนั่นเองทีนี้อปอบพระพุทธเจ้าท่นตรัสนะในนักโรปรมสูนี่คือกาลังพูดถึงการป้องกันใช่ป ะ, ะการป้องกันเมืองกันป้องกันอะไรรู้มั้ยกาแพงเนี่สร้างอย่างสุดทใจเลยอันแรกนี่ต้องทําก่อนคือปักเสาขุดร่องเวลาเขาออกรบเนแนวหน้านี่ เขไม่ได้สร้างกำแพงก่อนนะอุ้กำแพงมันสร้างยากถูกทำลายได้ง่ายด้วยเขาต้องขุดร่องก่อนขุดร่องขุดรูขุดคูเนี่ยขุดได้ง่ายกว่าทำได้เร็วกว่าถูกทำลายได้ยากเสาปากขึ้นขุดร่องลงไปลำดับการงานเนี่ยมันต่างกันแล้วพอมีร่องมีเชิงเทินเดินแล้วมีเวรยามตรวจตราเออกำแพงเนี่ยค่อยสร้างทีหลังไงกำแพงเนี่ยค่อยสร้างมาทีหลังเลย ท่านจึงเอาไว้ในข้อที่7ซึ่งอันนี้หมายถึงปัญญามันจะมาอันดับสูงสุดสีนสมาธิปัญญาขึ้นไปจนถึงสูงสุดนี่ก็ท่านไล่ลำดับมาอย่างนี้พอเราทำการศึกษาในคำสอนตามนัยยะต่างๆนะระวั ง, งนะเราจะเห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้ที่มีความน่าสนใจให้เห็นถึงรายละเอียดที่ครูบาอาจารย์ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนมาถึงท่านพระอุบาลี ตัทงท่านมีนัยยะการอธิบายมีอธิยาัยที่แตกต่างกันวันนี้จึงนำสอง น, ายานัยนี้มาเปรียบเทียบให้ธรรมฟังได้ฟังกันดูเรื่องของธรรมนครอคือนครอที่ประกอบขึ้นจากธรรมะเมื่อธรรมฟังได้ฟังแล้วให้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในธรรมนครอ น, นี้เลยให้ตกแต่งบระดับบระดาจิตใจของเรา ป้องกันด้วยเครื่องป้องกันนครต่างๆเหล่านี้ย้ายเข้ามาแล้วจ่ายค่าเข้าด้วยนะจ่ายภาษีด้วยนะนั่นคือกัลยเอยณธรรมให้ใช้ความดีของเราประดับขึ้นประกอบขึ้นเริ่มจากศรัทธาไปจนถึงปัญญาเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเครื่องป้องกันในนครนี้ช่วงทีได้ร่มบพธิบทนั้นจะมาพบกับ ตัมฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเชา้ทาทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในกิอกายมของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpage ได้หรือที่เว็บไซต์กร์ตมฟังที่เว็บไซต์ของมูนิปัญญาปานาที่ปัญญา org panya o r, g, A N y o r g รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาเปานาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมาหาไพบณ์อาพิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ